โยมพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิ้มแย้มอ๋อก็บ่อยมากขึ้น <c oughs> ไม่ไม่เคยเห็นหรอกเพราะไม่ได้ดูๆลืมกายลืมใจใจ ค่ะดีนะดีที่สุดเลยค่ะดูๆแล้วใจจริงๆก็คือจิตมัน มันจะไหลปั๊บๆๆไปได้แต่ถ้าสติเราเร็วขึ้นน่ะมันไหล เพียงเห็นเยอะยังดีสติก็เอาไว้อาศัยนะเรา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 แต่เราไม่ได้ปฏิบัติให้มีเห็นใจรักหรอกสติเป็นแค่เครื่อง จะรู้สึกแค่รู้สึกจิตมันจําสภาวะแห่งการไหล หาเพื่อให้จิตรู้จักสภาวะสภาวะบ่อยๆเพื่อให้จิตรู้ 2ๆ2 ก็กําลังคิดๆสอนให้จริงๆ<ใช> เพราะรู้จักสภาวะแล้วสติอัตโนมัติตาหู จิตใจก็สงบสุขมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับ<า> จิตมีรูปสิบแปดรูปเป็นสภาวะอันเดียวมีรูป 18 รูปรูปแท้ๆมี ยังไม่เกิดโลภโกรธหรอกโลภโกรธมันเกิดตามหลังตอนที่ คือให้แค่สังเกตสภาวะนั้นไม่ต้องคิดๆหรืออย่างอื่นเข้าใจเอง ศึกษาและเยอะแยะแต่เนี่ยนะถ้าเกิดปัญญา รู้บ้างเล็กน้อยนะเมื่อดีถ้าใจลอยแล้วเช่นเรา เรารู้ได้ถูกต้องว่าใจลอยรู้ได้ถูกต้องเวลาเห็นว่าใจจะ สติรู้ละครับใจครับแล้วแต่ฝึกให้เห็นความจริงไม่ได้ฝึกห้ามด้วยแต่ เราจะเห็นอะไรธรรมดาของของใจเนี่ยนะใจจะชอบ รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้ฉะนั้นเรารักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นจิต ก็ผมแล้วก็ตื่นเต้นได้เรื่อยๆไม่ไสจะ ถ้ามันตรงนี้เราฝืนความรู้สึกนะเที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ ทุกข์ก็ได้สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะสงบ แต่ว่าไม่ค่อยได้รู้ว่าบาชีเหมือนก็มีโทสะ เป็นตัวเรารักใครหวงแหนโมหะตัวหลงกิเลสลูกก็ กิเลสจะจบงั้นอย่างโยมที่บอก ไปเจอข้างนอกเจอกิเลสเนาะค่ะอืมมันก็มาทําไมอยู่วัดไม่มีกิเลสเถอะ ดีที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ ที่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสตอนนั้นไม่ <c oughs> ท่ําเออเหมือนดอกบัวรู้สึกมั้ยถึงดอกบัวอยู่ในน้ําแต่ไม่ติด ถ้ามีใจของคุณนาตอนนี้นะความสุขล้วนๆก็ต่อไปคิดดูนะใจที่ไม่ก่อไม่ <ไ หม? S 1> แต่นี้มีดอกขันนั้นไม่ผลเพื่อนเข้ามาอยู่กับน้ําแต่ดอกบัวอยู่ชื่ออ้อย แต่ธรรมดานะอาจารย์มัน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 300 ก็จําได้เนี่ยจําได้แม่นนะอยู่ในเลยที่หน้าแข็งสถานนี้หา ขันธะมามาประโยคหนึ่งเนาะฝังอยู่มันกระสับกระส่ายไปนะแต่ธรรมชาติรู้ ธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนเออ รูปผ้าบอกแล้วลูกก็ไม่เคยมีคนอ่าน โหมหาอยู่ตรงนี้แหละกว่าเมื่อกี้ดอกมั้ยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยว รู้สึกว่าสภาวะมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็สวิง สภาวะทั้งหลายก็ไหลมาไหลไปตามหน้าที่ของสภาวะใจเป็นกลาง <laughs> เอาไปห้อยได้นะไปห้อยได้นะเอ้ยเลี่ยมแล้วห้อยเอาแล้วก็ ไม่กล้ามายุ่งกับท่านเลยนะท่านภาวนาสบายมากเลยหลวง นะมันแก้งน้อยๆๆ <c oughs> ออกต้นออกพอพอเห็นสภาวะแล้วใจมันจะขยับ แต่กิเลสเนี่ยมันเป็นของแปลกนะเล่นกับมันไม่ได้นะบางคนไปหยอกๆ <ๆ S 1> เล่นกับมันไม่ได้นะต้องมาเดือดร้อนเราแก้ให้อีกนั้นไม่ได้นะต้องมาเดือดร้อนเราแก้ตับ เราอยากปฏิบัติเราสอนน่ะๆ ให้เดินกี่จังหวะให้ขยับมือขยับเท้า อันตรายที่ทําแล้วสติเกิดบ่อยนะแล้วก็เดินว่า ท่านบ่าวภิสุทธิ์ทั้งหลายให้ครูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรง ไล่ที่เกินที่พระพุทธเจ้าสอนนะหรือท่านศาสนิกสุ ที่อุปายเฉพาะตัวท่านใช้ได้นะดีด้วยมีอุปาย ก้าวไปถอยหลังให้รู้สึกไม่ได้มีจังหวะของการ ไม่เพียงแต่ไม่จําเป็นมันยังเสื่อด้วยมันจะทําให้เราหลงไปติด มีแต่ความเบิกบานแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่าน อย่าตาลโลก้าๆนะคนไม่ฟังนะไม่เชื่อนี่บางคนเชื่อค่อย พ่อแม่เราเป็นพระอรหันต์ของเรานะพระศาลเดิน ฟังหลวงพ่อไปได้ๆภาวนาจิตใจรู้ตื่นเบิกบานมีจํานวนเป็น ว่าในปริญญาก็ว่าอย่างหลายๆสำนักอ่ะเจ้าสำนักทั้งหลายชอบพูด ว่าสิ่งที่หลวงพ่อประมวลสอนนี่ยากสอนอริยสัจยากเกิน อ่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวๆ